พุทธธรรมเฉพาะภาพรวมสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตบทสรุปเพื่อเข้าใจภาพรวมคําสอนในพุทธศาสนาและเพื่อศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับเต็มได้ดีขึ้นต่อไปโดยที่เล่มนี้เจาะลึกในเชิงวิชาการมากขึ้นกว่าหนังสือบทนําสู่พุทธธรรมที่ได้จัดทําเป็นเสียงอานไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยที่บทนําสู่พุทธธรรมนั้นจะสรุปภาพรวมโครงสร้างใหญ่ที่ควรเข้าใจ ควรฟังหรืออ่านก่อนมาฟังเรื่องนี้ซึ่งเป็นการสรุปยากประเด็นสําคัญทั้งสองภาคซึ่งเป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสําหรับคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายแต่ก็อาจจะรู้สึกยากสําหรับคนมาใหม่บ้างวิธีฟังธรรมะที่ดีคือควรฟังด้วยจิตที่สบายสักแต่ว่าฟังไปก่อนไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนมีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำอีกที เมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเองโดยบางครั้งจะพบว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วกลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตสิริชัยสอ น, นินประภัยจิตหันกลางครอบครัวปิติเจริญกุลและครอบครัวอริยชาติพดุงกิจร่วมจัดทําโดยครอบครัวอิ่มวงศรีครอบครัวสีโพคาอภิรัตคราส์ร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากต้นภาคสองและท้ายเรื่องนะครับ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงก่อนฟังเนื้อหาจากหนังสือก็ทําความเข้าใจเรื่องการจัดทํำสิ่งอ่านสักเล็กน้อยนะครับสําหรับการทําเป็นเสียงอ่านหนังสือทุกเล่มในส่วนที่มาอ้างอิงอักตสถานคําแปลภาษาอังกฤษผู้อ่านต้องขออนุญาตเล่าไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับ เนื่องจากจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฟังของคนทั่วไปทำให้การฟังเนื้อหามิต่อเนื่องและรู้สึกยากขึ้นกว่าปกติอีกหลายเท่าท่านผู้สนใจในเชิงวิชาการหรือโดยละเอียดควรศึกษาจากต้นฉบับโดยตรงจะดีที่สุดขอให้ใช้เสียงอ่านเพื่อจับภาพรวมในเบื้องต้นหรือเพื่อไว้ฟังทบทวนเท่า น, นั้นนะครับสำหรับเรื่องการอ่านในการอ่านคำบางคำที่อ่านได้หลายแบบจะอ่านเพื่อให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับเช่นคำว่าทำ ที่มาจากธรรมะจะเน้นออกเสียงเป็นธรรมะเพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่าธรรมที่หมายถึงการกระทาหรือในบางตอนมีคำเกี่ยวเนื่องที่อาจสับสนได้หรือต้องการเน้นเช่นคำว่าสังขารขันบางครั้งก็จะอ่านว่าสังขารขันเพื่อเน้นคำว่าสังขารให้เห็นชัดในตอนแรกและในบางส่วนก็จะอ่านว่าสังขารขันดังนั้นบางครั้งจึงอาจมีการอ่านสองแบบ ซึงอาจทั้งตั้งใจและบางครั้งก็อาจเผยด้วยความเพลินความคล่องปากจึงหวังว่าท่านผู้ฟังจะไม่สับสนนะครับทั้งนี้สับบางคําผู้อ่านอาจอ่านออกเสียงผิดด้วยความไม่รู้จริงๆก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้จึงไม่ควรยึดถือจดจําไปอ้างยิงใดๆทั้งสิน้นโปรดตรวจสอบกับท่านผู้รู้อีกครั้งหนึ่งจะดีที่สุดใช้การฟังเพื่อจับภาพรวมและไว้ฟังทบทวนเท่านั้นเป็นสําคัญนะครับ ในกรณีที่มีปยานใหญ่อยู่ท้ายประโยคในการย่อจากบาลีมาเป็นไทยนั้นถ้าไม่มีคำอื่นแทนได้เช่นเป็นต้นหรืออื่นจะขออ่านว่าเปยยานที่แปลว่าละที่มาจากภาษาบาลีว่าเปยยาละแทนคำว่าละที่ทางหลักภาษากำหนดให้อ่านนะครับเราทดลองแล้วไม่น่าฟังทำให้อ่านหรือฟังล้สะดุดและบางทีก็ไปคล้องความหมายกับคาหรือประโยคต่อไปได้ จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันในทุกเรื่องที่จะทำเป็นเสียงอ่านต่อไปขอเชิญรับฟังแล้วร่วมศึกษาทรรไปพร้อมกันเลยนะครับ